เหนว่าท้องประกายดั่งดวงดาวที่แท้มันคือความลวงจากดวงไฟแผนฟ้าในเมืองแห่งฝันยิงย่งยามที่ฉันยิงเงาจากใจอ h oh อยากพบดวงดาวจริงๆที่เต็มฟ้าเหนื่อยล้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายไขว่ค ว, ควา้าจนเกินกว่าฝันแต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไร oh oh คิดถึงไออุ่น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 ชีวิตคุณเราทำไมต้องแ ข, นขน่งขันรอยยิ้มคุณเราทำไมไม่จริงใจแต่ฉันจะต้องอดทนและฉันก็ยังต้องสู้ต่อไปฮูฮ้คิดถึงไออุ่นคิดถึงเกลนดิงตรงที่ฉันน้ำพลาดพราวมากไกลคิดถึง อ, อกก้อมกอดของเธอคนนั้น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 คนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยิ่งเงาในใจเธอ อ้อมกอดของเธอคนนั้นคนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรนมาเนินนานคิดถึงแทบขาใจบ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไหร่รู้ไหมฉันยังจดจํารู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรง ยังเหมือนบนยังไม่นหนาวเงาเลือกันมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยิงเงาในใจเท่าไร